1.23 ทุกสมุทยัยนิโรธมรรคเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันวงเล็บเปิด17ตุลาคม2550ในวงเล็บ 2. จุดจุดนาที5วงเล็บปิดถ้ารู้แจ้งอริยสัจจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี่ตัวทุกข์ล้วนถ้าเห็นอย่างนี้มันจะหมดสมุทยัยหมดความอยากโดยอัตโนมัติตัณหามันก็แค่ว่าอยากให้กายให้ใจมีสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ ตัณหามันก็มีอยู่เท่านั้นเองฉะนั้นถ้าเมื่อไรเราเห็นกายเห็นใจนี้ทุกล้วนๆไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างถ้าเห็นอย่างนี้นะตัณหาจะถูกละโดยอัตโนมัติไม่เกิดขึ้นมาทันทีที่ตัณหาไม่เกิดจิตใจก็เข้าถึงสันติสุขในฉับพลันนั้นเลยสันติสุขก็คือนิพพานหรือก็คือนิโรดนั่นเองตัวสันตินั่นแหละ ตัวนิโรธตัวนิพพานเมื่อไรจิตหมดตัณหาจิตก็หมดความดิน้นจิตที่หมดความดิ้นรนก็มองเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นรนคือนิพพานปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาในขณะที่รู้ทุกแจ่มแจ้งจนกระทั่งละสมุ ท, ทยัยแจ้งนิโรธในขณะนั้นแหละเรียกว่าอริยมรรคฉะนั้นทุก์สมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคนี่เกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันไม่ใช่ว่ารู้ทุกวันหนึง่งละสมุทัยวันหนึ่งแจ้งนิโรธวันหนึ่งไม่ใช่ แต่เกิดในขณะจิตเดียวนี่ฟังแล้วเหมือนยากนะจริงๆไม่ยากเลย